จิตกับใจมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะอ๋อจิตกับใจถ้าในทางธรรมะแล้วจิตใจมโนโวิญญาณอันคือสิ่งเดียวกันแต่เคยเห็นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านอธิบายใจว่าเวลาจิตมันเข้าไปสงบเป็นสมาธิอยู่ในผวังนั้นท่านเรียกว่าใจแต่จิตคิดนึกคิดปรุงแต่งท่านเรียกว่าจิตซึ่งอันนั้นเป็นนิยามของท่านครับใช่ไหมแต่ว่าโดยธรรมชาติโดยธรรมดาแล้วผู้เจ้าบอกว่าจิต มโนวิญญาณพวกนี้คืออันเดียวกันแต่ว่ามันทำหน้าที่ต่างๆกันเหมือนเวลาเห็นนี่ตัวอะไรเห็นอะ่ะผ่านตาจริงแต่ว่าตัวที่เห็นนั้นคือจิตมันจะวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไปเห็นวิ่งไปเห็นแล้วขณะนั้นก็ดับด้วยโอ้โหมันเร็วที่สุดเลยนะเร็วมากๆนี่แหละที่มันปิดบังความจริงเอาไว้เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นมัน เราก็หลงยึดจิตว่าเป็นเราอยู่แต่ผู้ที่เห็นจิตชัดเจนว่ามันเกิดระดั บ, ดบ <lett> เกิดระดับ<ๆ>เกิดระดับนี้ยึดไม่ได้<ๆ>มันปล่อยวางหรือเห็นอะไรก็ช่างมันแต่ว่ามันทะลุเข้าไปถึงตรงนี้ว่าชีวิตนี้เป็นแค่กระแสะความเกิดดับมันจะวางหมดมันจะไม่ยึดอะไร